นี6โรงแรมที่มีผีสุดสยองโรงแรมเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าพักมากมายไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันแขกที่เข้ามาพักเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างบางทีการเข้าพักครั้งนั้นของเขาอาจเป็นการเข้าพักครั้งสุดท้ายก็เป็นได้เชิญพบกับ6เรื่องราวของโรงแรมชวนสยองกันได้เลย อันดับที่6ห้องพักเต็มเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีในตอนแรกทางโรงแรมบอกว่าห้องพักเต็มแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากไปหาโรงแรมอื่นอื่นอีกแล้วเพราะไม่อยากเสียเวลาจึงพยายามแซาสีเจ้าหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จำใจต้องให้เข้าพักที่ห้องหนึ่งในขณะที่เขาได้เข้าไปในห้องรู้สึกได้ทันทีว่า ห้องนี้ต้องมีสิ่งผิดปกติอะไรสักอย่างแน่ๆแต่ก็ไม่ถึงกับเอกใจอะไรมากจนกระทั่งตกดึกก็ลุกไปปิดไฟเพื่อเตรียมตัวเข้านอนขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครโยนกระเป๋าลงพื้นจึงหันไปถามเพื่อนว่าโยนกระเป๋าหรือเปล่าแต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่ได้โยนเขาเริ่มรู้สึกกลัวจึงลุกไปเปิดไฟนอนแต่ยังไม่ทันจะได้นอนก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกเขาเริ่มทนไม่ไหว จึงโทรไปที่ล็อบบี้ได้ยินเสียงพนัก ง, งานคุยกันทันทีว่าแขกโดนอีกรายแล้วเท่า น, นั้นเองเขาจึงรู้ว่าห้องนี้มีสิ่งแปลกอย่างที่เขารู้สึกจริงๆด้วยความที่ดึกแล้วเขาทั้งสองจำใจต้องนอนที่นี่จึงนำพระมาวางไว้ที่หัวเตียงแต่เมื่อหันกลับมาดูอีกทีพระกลับหายไปจากหัวเตียงจึงช่วยกันหาจนมาพบว่าพระที่เขานำมานั้นกลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใบเดิมตอนที่เขาหยิบออกมาวาง เท่า น, นั้นเองทั้งคู่รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีขนาดพระยังช่วยไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมล่ะอันดับโรงแรมไม้สุดเยน็นโรงแรมไม้นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยเจ้าของเรื่องเป็นคนที่ขับรถไปที่ต่างๆมามากกว่าหนึ่งเดือนค่ำไหนนอนนั่นในคืนหนึ่งเขาได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งออกแบบเป็นเรือนไม้แบบทรงไทยเขาวางแผนที่ไว้บนโต๊ะ และเข้านอนจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงที่โต๊ะคนที่นอนข้างๆกันขยับเข้ามาพร้อมกับบีบมือเขาไว้จนแน่นเพราะภาพที่เห็นนั้นคือเงาดำสองเงากำลังดูแผนที่อยู่ส่วนเองเงาหนึ่งนั้นก็จ้องตรงมาที่เตียงพวกเขาพยายามจะขยับตัวและสวดมนต์แต่ก็ไม่มีเสียงจึงได้แต่สวดมนต์อยู่ในใจพยายามจะฝืนอยู่นานก็สามารถสวดมนต์ออกเสียงได้ เงาดำนั้นลุกขึ้นเดินผ่านปลายเตียงและทะลุ ก, กำแพงหายไปในที่สุดเมื่อเงาดำนั้นจากไปแล้วยูแผนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะก็เปลิวร่วงลงมาได้เองแบบไม่มีสาเหตุอันดับอันดับที่4ผีสาวที่กาญจนบุรีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชายคนหนึ่งไปพักโรงแรมคนเดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปสัมมนาในระหว่างที่เขากาลังดูฟุตบอลอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น เขาเดินไปดูที่รูตาแมวพบผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีเขียวลายดอกยืนหันหลังให้ตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครจึงเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะถามแต่เมื่อเปิดออกไปกลับไม่พบใครแม้แต่คนเดียวในขณะนั้นเขาสัมผัสได้กับลมแรงที่พัดเข้ามาในห้องจึงรีบปิดประตูทันทีตกกลางดึกหลังจากเข้านอนไปแล้วเขารู้สึกเหมือนมีน้ําหยดที่ปลายเตียงจึงลืมตาขึ้นดู แต่สิ่งที่เห็นนั้นทำให้เขาแทบช็อก ค, คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงใกล้กับเขามากๆพร้อมกับร่างกายที่เปียกช่กผมยาวปิดหน้าทัานใดนั้นเองก็มีเลือดไหลมาจากตัวผู้หญิงคนนั้นเต็มไปหมดเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองหน้าเขาเผยให้เห็นใบหน้าซีบเผื้อดที่เต็มไปด้วยเลือดแต่สิ่งที่ทาให้เขาตกใจมากกว่านั้นคือเธอไม่มีลูกตาอันดันสาอะไรอยู่ในช่องแอ โรงแรมนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรชายคนหนึ่งได้เข้าพักที่นี่เขารูสึกได้ถึงกลิ่นแปลกตั้งแต่เปิดประตูเข้าไปแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากจนในขณะที่เขากำลังแปลงฟันก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครแอบดูอยู่ที่ช่องระบายอากาศตลอดเวลาจึงปีนขึ้นไปดูเขาคิดว่าช่องนี้มันเล็กเกินไปคงไม่มีใครมาอยู่ได้หรอกเมื่อไม่มีอะไรเขาก็กำลังจะไปอาบน้ำต่อ ขณะที่กําลังเดินเป็นนั้นเองก็ได้ยินเสียงดังมาบริเวณเหนือศีรษะของเขาจึงเงยหน้าขึ้นไปดูสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้านั้นคือคนกําลังคลานออกมาจากช่องระบายอากาศตรงมาที่เขาเขารีบคว้าผ้าขนหนูและวิ่งออกจากห้องนั้นทันทีในขณะวิ่งเขารู้สึกตลอดเวลาว่าผีตอนนั้นคลานตามออกมาเรื่อยๆพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะโหยหวนตามมาติดๆอันดับีสอง เรื่องสยองห้องห้9เเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเหตุการณ์เกิดที่ภูเก็ตเพื่อนกลุ่มนี้ไปเที่ยวกันและจองห้องพักไว้สองห้องคือ518และ519เพื่อเก็บสัมภาระเรียบร้อยก็พากันออกไปเที่ยวดูแสงสีแต่เพื่อนคนหนึ่งไม่สบายจึงนอนพักอยู่ที่ห้องห1 9เพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนที่เหลือก็ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งตีสเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์ โดยเพื่อนคนที่ไม่สบายนั้นโทรมาด่าว่าพวกเขาไปแกล้งเคาะประตูห้องกวนเขาทําให้เขาไม่ได้พักผ่อนเลยพวกเขาพากันงงเพราะไม่รู้ว่าใครจะไปเคาะประตูแกล้งตอนกลางดึกแบบนั้นจึงสรุปกันเองว่าเพื่อนคนนั้นคงไม่สบายมากเลยละเมอโทรศัพท์มาหาเมื่อเห็นว่าดึกมากๆแล้วจึงพากันกลับห้องพวกเขากลับกันมาถึงตอนตีสี่แต่เมื่อเปิดประตูไปดูเพื่อนที่ไม่สบายต่างก็ตกใจกันใหญ่เมื่อเห็นว่าเพื่อนนอนสลบยู่ ต่างพากันพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลเมื่อเพื่อนฟื้นขึ้นมาก็เล่าให้ฟังด้วยท่าทีหวาดกลัวอย่างมากว่ามีคนมาเคาะประตูแกล้งจนเขาไม่ได้หลับได้นอนเขาจึงไปเปิดประตูเพื่อจะดูว่าเป็นใครปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือผู้หญิงผมดำกำลังคืบคลานเข้ามาและจ้องมองมาที่ตัวเองความสยองยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเขาเห็นว่าเนื้อช่วงคางหายไปและลิ้นของเธอยงห้อยลงมาถึงคออีกด้วยเมื่อเจอแบบนั้น เขช็อกจนสลบไปตื่นมาอีกทีก็เจอพวกเพื่อนๆแล้วอันดับที่หนึ่งมองไปที่ดาดฟ้าเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่นัดกันไปเที่ยวช่วงปีใหม่พวกเขาเข้าจองห้องพักของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อมองจากหน้าต่างห้องก็จะเห็นดาดฟ้าของโรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในห้องสายตาของเพื่อนคนหนึ่งก็มองออกไปที่ดาดฟ้าโรงพยาบาล เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตอนนั้นเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนมานั่งดูพรุช่วงปีใหม่ก็ได้จึงไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นพวกเขาชวนกันออกไปเที่ยวและเมื่อกลับเข้ามานอนสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรขูดกับกระจกจึงเปิดผ้ามานออกไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งกาลังใช้เล็บของตัวเองขูดกระจกอยู่แถมยังอหน้ามนแนบที่กระจกพร้อมทั้งส่งเสียงกรีดร้องและหัวเราะอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดพากันวิ่งลงไปที่ล็อบบี้และขอเปลี่ยนห้องทันทีแต่หลังจากเปลี่ยนห้องแล้วก็กลับเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกผู้หญิงคนนั้นยังเอาหน้าแนบกระจกพร้อมใช้เล็บที่ยาวขูดกระจกพร้อมกรีดร้องและหัวเราะดวงตาแทบถลนออกมาจากเบ้าพวกเขาจึงขอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนั้นทันทีเมื่อพวกเขาออกจากโรงแรมนั้นแล้วจึงสอบถามจากคนขายของที่อยู่บริเวณนั้นจึงรู้เรื่องราวคร่าวๆว่า มีสามีภรรยาที่กำลังตั้งท้องมาพักแต่ฝ่ายสามีกลับสนใจแต่จะออกเที่ยวโดยไม่สนใจภรรยาเลยภรรยาเกิดการน้อยใจจึงฆ่าตัวตายโดยวิธีที่สุดแสนสยองภรรยาโทรศัพท์หาสามีและบอกให้เขามองออกมาที่หน้าต่างสิฉันรออยู่บนที่ดาดฟ้าแล้วเธอก็กระโดดลงมาจากดาดฟ้าโรงพยาบาลต่อหน้าต่อตาสามีของเธอไม่แฮ่โรงรที่คุณไ ป, ไปพัก อาจจะเป็ น, ปนหนึ่งในหโรงแรมที่เรากล่ า, าในข้างต้ น, ตนก็เป็นได้ไดหากมีเรื่องผีเกี่ยวกับโรงแรมที่เจอมากับตัวอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ